วั5ัิก็ภิกษุณีใดสามช่างตนเองหรือผู้อื่นด้วยนรกหรือด้วยพรหมจรรย์ต้องอบัตปาจิตตีเรื่องภิกษุณีจันท ก, กาลีจบ